Oh. แม่คนหนึ่งนะกำลังทำครัวทำอาหารให้ลูกกินปรากฏว่าน้ำปลาหมดก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยไปซื้อน้ำปลามาให้เงินลูกนะแล้วก็ให้ลูกไปซื้อที่ร้านชำสมัยก่อนเนี่ยนะมันยังไม่มีเซเว่นหรือไม่มีพวกร้านแบบซ u เปอร์สโตร์อย่างทุกวันนี้ อะไรก็ไปหาเอาที่ร้านชำนะลูกก็รีบไปเลยได้น้ําปลามาขวดน้าปลามาก็รีบเดินกลับบ้านบอกว่าด้วยความรีบนะก็เลยสะดุดหินล้มขวดน้าปลาก็หลุดจากมือน้ําปลาก็ไหลเลยนะไหลออกแต่ว่าลูกก็ คว้าขวดน้ำปลาได้ทันกลับไปถึงบ้านก็บอกแม่ว่าเนี่ยวันนี้โชวไม่ดีเลยนะเดินสะดุดหินนะขวดน้ำปลาหลุดมือก็เลยน้ำปลาก็เลยหายไปครึ่งขวดสีหน้าก็เศร้าซอยทำน้ำปลาหายไปต้องครึ่งขวด แแม่ก็ไม่วาอะไรสองสัปต่อมานะก็ขณที่แม่ทำอาหารบอกว่าซีอุหมดนะก็ให้ลูกอีกคนหนึ่งเนะี่ยไปซื้อซีอุจากร้านลูกก็รีบวิ่งไปที่ร้านชำได้ซีอุมาก็รีบเดินกลับบ้านบอกว่า ไปสะดุดหินก้อนเดิมลม้มลงนะแล้วก็ขวดซิวก็หลุดมือแต่ก็คว้าขวดซิวไว้ได้ทันกลับไปบ้านก็บอกแม่ว่าแม่เมื่อกี้เนี่ยหนูทำขวดซิวตกนะแต่โชคดีนะมีซิวเหลืออยู่ ต้องครึ่งขวดแล้วแม่ก็ไม่ว่าอะไรลูกสองคนเนี่ยนะก็เจอประสบการณ์คล้ายกันนะแต่คนหนึ่งรู้สึกว่าโชคร้ายนะน้ำปลาหายไปครึ่งขวดสีหน้าเศร้าส้อยแต่ลูกอีกคนหนึ่งนะก็บอกว่าโชคดี มีซิ่วเหลืออยู่ต้องครึ่งขวดนะคนหนึ่งบอกว่าหายไปครึ่งขวดแต่คนหนึ่งบอกว่ายังมีอยู่ครึ่งขวดสองคนนี้แตกต่างกันยังไงนะแตกต่างก็ตรงตรงที่มุมมองนะคนหนึ่งเห็นซิ่วเห็นขวดเห็นน้ำปลาหายไปครึ่งหนึ่งแต่คนหนึ่งเห็นซิ่วเหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง จะเพื่อว่าคนหนึ่งเนี่ยมองลบก็ได้นะอีกคนหนึ่งนี่มองบวกนะเพราะามองบวกนี่ไม่ได้หมายความว่ามองอนาคตสดใสนะแต่หมายถึงการมองความจริงนะที่ปรากฏอยู่เนะบื้องหน้านะคนเราเนี่ยถ้ า, าว่าเราเอาแต่มองลบนะมันก็จะทุกข์นะเพราะว่ามันเห็นแต่สิ่งที่หายสิ่งที่ขาดไปสิ่งที่ไม่มี อย่างเด็กหลายคนนะก็ ท, ทั้งที่มีอะไรต้องเยอะแยะนะของเล่นนะเครื่องดนตรีโทรศัพท์มือถือนะแต่ก็ยังทุกข์นะเพราะเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือยังไม่มี iPad อันนี้เรียกว่ามองลบเห็นแต่สิ่งที่ไม่มีส่วนคนที่มองบวกนะก็จะเห็นสิ่งที่เขามี ไม่สนใจสิ่งที่ยังไม่มนะีบางทีของที่มีอยู่ก็อาจจะไม่มากนะของเล่นก็ดีเครื่องดนตรีก็ดีแต่พอมองเห็นสิ่งที่มีแล้วเนี่ยมันก็เกิดความสุขได้ง่ายขึ้นจริงๆไม่ใช่เฉพาะเด็กนะผู้ใหญ่ก็เป็นนะผู้ใหญ่จนมากนี่ก็เป็นทุกข์เพราะเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่มี ทางนังที่ก็พรั่งพร้อมด้วยวัตถุนะบางทีก็มีครอบครัวที่ดนะีลูกก็ดีแต่ว่ามองเห็นแต่สิ่งที่ยังไม่มีนะยังไม่มีบ้านหลังใหญ่ยังไม่มีรถคันหรูหรือว่าลูกนะไม่ได้เกียรตินิยมนะ ไม่ได้เกรดดีๆอย่างลูกคนอื่นเขานะมองเห็นแต่แค่นี้แลําก็เลยทุกทนะั้งที่ก็เลยพ่านโกรดลูกไปด้วยว่าเก่งสู้ลูกคนอื่นไม่ได้ทนะั้งที่ลูกก็มีดีหลายอย่างที่บ้านอื่นไม่มีแต่ถ้าลูกอย่างมองบวกนะโอ้มีความสุขได้ง่ายเลยนะแม้จะมีไม่มากแต่ก็ มีความสุขได้ที่จริงนี้รวมไปถึงเรื่องเวลาคนเจ็บคนป่วยด้วยนะคนที่เจ็บป่วยเนี่ยถ้าหากว่ามองเห็นแต่อวัยวะที่มันเจ็บมันป่วยปอดไม่ดีนะตับไม่ดีหรือว่ากระเพาะไม่ดีจะทุกข์ได้ง่ายนะแต่ถ้าหากว่ามองเห็นว่าเออเรายังมีอะไรดีๆต้องหลายอย่าง ตาก็ดีหูก็ดีแขนขาหัวใจก็ดีมันยังดีอยู่เลยนะพอคิดแบบนี้ค่อนมันก็สุกได้ง่ายอย่างที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเกิดมาก็เป็นโรคธาลัสซีเมียอย่างแรงนะธาลัสซีเมียนี่เป็นโรคเลือดที่ทําให้ตัวแคร์กรนถ้าเป็นอย่างแรงๆนะตาโปนกระดูกเปาะ พอมเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดนะก็ดูกเปล่านี่เวลาล้มนี่ก็ไม่ขาหักก็มือหกักแขนหกักใส่เฟืองมาอายุไม่ถึงสามสิบนั่งใส่เฟืองมาสิบกว่าครั้งแล้วหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบนะนี่ก็สามสิบแล้วแล้วก็ไม่ได้อยู่แบบทุกทรมานนะอยู่อย่างมีความสุขมีคนถามน้วว่านี่ทําไมเธอมีความสุขได้ทั้งที่ เธอก็เป็นโรคที่ไม่รู้ว่าจะทำให้ตายเมื่อไหร่เธอก็บอกว่าแม่แมเลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันก็ยังมีตามองเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกดมกลิ่นหอมมีหูฟังเสียงที่ไพเราะกินอะไรก็อร่อยเดินเทอไปไหนมาไหนก็ยังได้เพราะว่าแข้งขา ย, ยังเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วอันนี้เรียกว่ามองบวกนะคือมองสิ่งที่มีหรือสิ่งดีๆที่มีอยู่ ไอสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ค่อยสนใจมากพอสนใจแล้วก็ทุกไปเปล่าๆจริงๆเนี่ยมันก็มีแง่ให้เรามองสิ่งดีๆได้หลายอย่างนะแม้ว่าเราจะเจ็บป่วยเช่นบางคนเนี่ยเจ็บป่วยต้องนอนเตียงแต่แทนที่จะนึกถึงไอความเจ็บป่วยที่ทาให้นอนติดเตียงก็กลับมองเออ จ็ป่วยนี่ก็ดีนะได้พักได้พักงานมีเวลาอ่านหนังสือธรรมะนะแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดพ่อแม่นะพ่อพอแม่นี่ก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดเลยตอนที่ไม่จะไม่ป่วยนี่ก็ห่างเหินกันอันนี้ก็เรียกว่ามองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็ทําให้นะไม่ทุกข์ ในยามที่เจ็บป่วยหรือบางคนเนี่ยนะมีธรรมะสูงนะก็เห็นว่าเนี่ยความเจ็บป่วยนี่ก็ดีเหมือนกันนะทําให้เราได้เห็นว่าสังขารไม่เที่ยงอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนบอกว่าเนี่ยเวลาเจ็บป่วยนี่มันเป็นกําไรนะเพราะมันทําให้เห็นความจริงของรูปนะว่ารูปหรือสังขารก็เป็นอย่างนี้แหละนะ ก็เห็นความจริงของนามด้วยเวลาใจมันทุกข์ใจมันกังวลนะก็ได้เห็นเห็นอาการขึ้นอาการลงอันนี้ก็เรียกว่ารู้จักมองบวกนะเป็นเรื่องการทำจิตนะที่เราควรจ ะ, ะทำให้เป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันก็จะต้องมีเจออะไรต่างๆที่ไม่ชอบไม่ถูกใจนะแต่ว่าถ้าเรามอง ให้เป็นเนี่ยนะเราก็ยังเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่หรือว่าเห็นข้อดีที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นนะเวลางานมีปัญหาหรือบางทีล้มเหลวก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าเห็นว่าได้ประสบการณ์นะทำให้มีบทเรียนมากขึ้นแต่ว่าการมองบวกหรือการทำจิต อย่างเดียวมันก็คงไม่พอนะมันต้องมีอย่างอื่นด้วยกลับมาที่ครอบครัวที่ว่าเนี่นะแม่ทําครัวบอกว่าน้ํามันหมูหมดนะสมัยก่อนนียก็ต้องไปซื้อจากร้านชําก็ให้ลูกอีกคนเนี่ยคนสุดท้องเนี่ยไปซื้อน้ํามันหมูมาลูกก็รีบไปเลยนะให้ทันแม่ทําครัว ได้น้ำมันหมูมาขวดหนึ่งกลับมาบ้านบอกว่าเดินสะดุดหินก้อนเดิมนะขวดน้ํามันหมูหลุดมือแต่คว้าได้ทันนะกลับไปบ้านก็บอกว่าเนี่ยบอกแม่ว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะเดินสะดุดแต่ว่าโชคดีนะคว้าขวดน้ํามันหมูได้ทันยังเหลือต้องครึ่งหนึ่งนะแต่ว่า คนที่สามเนี่ยทำไม่ได้แค่นี้นะพอรู้ว่าเนี่ยไอ้หินก้อนเนี่ยมันทําให้ลูกทําให้พี่พี่เนี่ยเดินสะดุดนะพอกินข้าวเสร็จนี่ก็คว้าจอบนะไปทําอะไรนะไปขุดเอาหินก้อนนั้นนะออกมาเพื่อไม่ให้คนเดินสะดุดต่อไปนะอันนี้เรียกว่านอกจากทําจิตคือมองบวกไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังทํากิจด้วยนะก็คือว่า หาทางป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานั่นอีกอันนี้สําคัญนะมันทำใจเองด้วไม่พอต้องทํากิต ด, ด้วยนะในหลายกรณีเนี่ยมันทําจิตไม่พอต้องทํากิต ด, ด้วยอย่างเช่นเจ็บป่วยนะเออทำจิตทําใจไม่ทุกข์นะพอมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่หรือรู้สึกว่ามันให้คุณประโยชน์กับเราหรือยอมรับมันได้อย่างที่พูดเมื่อวานแต่ก็ต้องทํากิต ด, ด้วยนะ ก็คือรักษาดูแลร่างกายให้ดีไม่ใช่บอกว่าเออดีที่เจ็บป่วยนะแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยมากกว่านั้นนะดีแล้วที่ไม่ทุกขเพราะความเจ็บป่วยแต่ก็ต้องเยียวยารักษาร่างกายให้มันหายเจ็บหายป่วยแล้วก็รู้จักป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยครั้งต่อไปด้วยในบรรดาลูกสามคนเนี่ยนะคนที่สามนี่ถือว่าดีที่สุดนะทำจิตแล้วก็ทากิจนะั น, นี่ก็สอดคล้องคำสอนของพุทธศาสนา ไม่ใช่แค่ทำจิตอย่างเดียวนะแต่ว่าทำกิจด้วย